แต่ก็อริ tha ก็ยอมรับหน้าชื่นตาบานทีนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่แก้ไขเป็นบุคคลที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษเพราะฉะนั้นจะต้องมีการแก้ไขความคิดอันนี้มันผิดมันพลาดเป็นความเห็นที่ทําลายคําสอนของพระผู้เท่เจ้าเนี่ยนะถ้าหากว่าอยู่เฉพาะแค่ในตัวก็เลวเฉพาะตัวอยู่แล้วเนี่ยนะ แต่ถ้าเอาความเลวอันนี้กระจายไปหาคนอื่นก็เป็นเช่นกับโรคระบาด ท, ที่มันเลวร้ายแล้วยากที่จะรักษาทั้งก็เลยพยายามที่จะช่วยกันตัดไฟแต่ต้นลมว่างั้นตัดไฟแต่ต้นลมให้มันระบาดขึ้นก็เลยครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นปรารถนาจะปลดเปรื่องอริ tha ภิกษุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแรงจากทิฏฐิอันชั่วเห็นปานนั้นจึง ซ, กซักไซและให้เลียงสอบสวนด้วยกล่าวว่าท่านอริ tha ท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ดีดอกพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแบบนี้เลยนะนี่มาอย่างไงเนี่ยหลุดมาอย่างไงเนี่ยไม่มีในคำสอนเลยอริ t h ะธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นธรรมกระธรรมซึ่งอันตรายโดยอเนกประยาย หมายคําว่าอากุโสรธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตรัส ว, ว่าอันตรายอากุโสรธรรมเหล่านั้นเป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลจริงๆธร ร, รมะเหล่านั้นเป็นอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติตอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลจริงๆอันตรายต่อสวรรค์และอันตรายต่อพระนิพพานจริงๆไม่สามารถทําให้บรรลุสวรรค์หรือให้เกิดในสวรรค์ไม่สามารถให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จริงหรอกถามว่าความเห็นของอริถะที่ที่แม้ออกมา พระพิสเนี่ยออกมาต่อต้านใหญ่โตเนี่ยนะถามว่าความเห็นอันนั้นคืออะไรความเห็นที่บอกว่ากามทั้งหลายไม่มีโทษนะบุคคลผู้ส่องเศษในกามโดยเฉพาะพระพิโสเนี่ยนะถ้าพระพิสูจะมีเมียก็แปลว่าไม่มีโทษคือเป็นความเห็นแบบนั้นนะเป็นความเห็ น, น่ะในที่สุดก็ไหลกลับไปสู่จุดนั้นแต่อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเอ่อชาวบ้านเขาก็เศษเมถุนทาได้ทาไมพระพิโสทาไม่ได้เนี่ยนะ เอาสัมผัสยิงกัจับเครื่องลาดมันต่างกันตรงไหนมันก็นิ่มนวลอะไรเหมือนกันจะไปต่างกันตรงไหนเพราะฉะนั้นไม่มีโทษอะไรเพราะในที่สุดอะไรจะเกิดขึ้นถ้าความเห็นแบบนี้ระบาดขึ้นประชิกสีที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไปไว้ไหนสังฆาทิเศษที่พระองค์บัดสอนเอาไว้เอาไปไว้ไหนก็นํามาเสื่องการล่วงละเมิดนํามาซึ่งความผิดพลาดอันหาประมาณนี้ได้นนก็บอกว่าความเห็นอันนั้นมีโทษนะก็เลยออกมาทัดทานว่าตามความจริงตามคําสอนว่า พระพุทธเจ้าสอนเกี่ยวกับเรื่องกามทั้งหลายไว้อย่างไรการเพลิดเพลินในวัตถุ ก, กามด้วยกิเลสกามนั้นเป็นอย่างไรซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ากามทั้งหลายมีความยินดีน้อยยินดีแปลว่าอั ส, สาธาเนี่ยนะมีอัสสาธาหรือมีความหวานชื่นเนี่ยน้อยมากแต่มีทุกมากมีความคับแค้นมากโทษในกามทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมีมากอย่างยิ่งะนะ ยินดีน้อยแปลว่าชื่นใจน้อยแต่ความชื่นใจมีนิดหน่อยแต่ความทุกข์นี่สิหาที่เปรียบไม่ได้มีความสบายใจน้อยที่เหลือมีแต่ความคับแค้นใจเนี่ยมีแต่โทษโทษทั้งในปัจจุบันและสำปราย์พบทุกข์ที่มีทั้งในปัจจุบันและสำปราย์พบความคับแค้นทั้งในชาตินี้และชาติต่อต่อไปโทษที่พึงได้รับในชาตินี้และชาติต่อต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส กรมทั้งหลายมีอุปมาด้วยร่างกระดูกมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษในการมทั้งหลายเนี่ยมีอยู่อย่างยิ่งมีอยู่มากอย่างยิ่งเหมือนอาสาท่น้อยเหมือนร่างกระดูกก็บอกเหมือนอย่างว่าสมัยก่อนนี้ก็โรงฆ่าสัตว์มันอยู่ตามตามป่าตามเขาเนี่ยนะ ก, ก็ไปเชือดชำแหละข่าวัวฆ่าควายทั่วไปหมดละนี้พอชำแหละควายเสร็จเนี่ยนะอพอเลือดเข่ า, ขาขลระคลุ่งออกไปสุนัขมันก็ได้กลิ่น สุนัข ก, ก็ได้กลิ่นก็มาเตรียมจะมายื้อแย่งเนื้อยื้อแย่งเนื้อที่พวกคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ฉลาดเนี่ยนะกําลังช่ำแฉะอย่างนั้นหมาก็มารุมมารอ้องรอบๆเต็มทําไงดีวิธีไล่สุนัขเหล่านั้นให้ไปให้ไกลทําไงเขาก็แล่ยเล่ย เ, เ, เ่เอาแต่กระดูกแล้วก็ไปคละไปคลุกกับเลือดแล้วก็เคลี่ยงไปไกลสุนัขทั้งหลายก็ดีใจว่าเขาประทานอาหารอย่างดีมาให้แล้วเนี่ยนะ ก็ไปแย่งเงินแทะ น, นะกัดกัินบ้างแย่งเัินบ้างแท้แทะแทะแท ะ, แท ะ, แทะอา้าวมันมันมั น, มนเนื้อมันหมดแล้วอ่ะมีแต่กระดูกคระเลือดเท่านั้นเองเนี่ยนะเคี้ยวไปเท่าใดน้ําลายก็อะไรยืดน้ำลายก็อะไรยืดยก็เคีย้ยวกันไปอยู่นั่นแหละกัดแล้วกัดเล่ากักดอยู่นั่นแหละนะนะไม่รู้ว่าฟันหลุดบ้างหรือเปล่าไม่รู้มีใครทําวิจัยสักทีว่าไอสุนัขที่กัดกระดูกกันนะกรนะดูกมันจะฟันเนี่ยมันหลุดบ้างหรือเปล่านะเขาบอกว่า มันแย่งกัดกันกินทั้งวันจนเขาบอกว่าชำคนพวกชำแหล่ เ, เนื้อเอาเนื้ออะไรไปแบ่งกันขายอะไรเรียบร้อยแล้วสุนัข ก, ก็ยังกัดอยู่นั่นแหละวันที่หนึ่งก็กัดวันที่สองก็มากัดต่อวันที่สามวันที่สี่น้ําละพร้อมลงยิ่งกัดทั้งวันยิ่งพร้อมลงทั้งวันมีแต่น้ําลายไหลยืดเงื้อโทมกายแต่ก็รู้สึกอร่อยลิ้นบ้างนิดหน่อยฉันใดผู้ที่มีความติดใจเพลิดเพลินหมกมุ่นในวัตถุกรรมด้วยมากกิเลสตามทั้งหลายก็ ฉะนั้นมันมีความยินดีน้อยจริงๆเนี่ยนะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความทรมานมีแต่ความเดือดร้อนที่ติดตามมาจากสิ่งนั้นขณะเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่ากามทั้งหลายมีอุ ป, ปมาด้วยชิ้นเนื้อมีความคับแคลนมากโทษในกามทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมีอยู่อย่างยิ่งเหมือนชิ้นเนื้อก็แปลว่าเป็นของที่สาธารณะต่อคนเหล่าอื่น ทั่วไปแก่คนอื่นเหมือนอย่างว่านกกาตัวหนึ่งหรือเหยี่ยวตัวหนึ่งไปโฉบเอาก้อนเนื้อมาก้อนหนึ่งแล้วก็บินขึ้นสู่ท้องฟ้าคาบเอาไว้นกที่เหลือบอกเพื่อนเแบ่งกันบ้างสิแบ่งกันบ้างเฮ้ยแบ่งกันได้ยังไงอุตส่าห์ไปคาบมาจากที่ไกลไม่แบ่งแล้วก็จิกตีเนี่ยนะตีบรรยากาศอะไรกามันทะเลาะกันอย่างมันก็กัดแล้วนะเนื้อตัวนั้นเนี่ยไอความที่ตัวเองเนี่ยปากมัวแต่คาบเนื้ออยู่ใช่ไหมมีแต่ปีกที่ต้องคอยถลาลมกลัวจะตกก็ถูกเขาตีเลย ถูกเขาตีแล้วตีเล่าตีแล้วสะบักสะบอมในที่สุดก็ต้องขายเนื้อไม่ไหวแล้วฆ่าไว้ไม่ไหวแล้วก็ต้องขายออกไปไอ้นอกไอ้ตัวหนึ่งก็ยีบโฉบไปแม้โชคดีมากรับก้อนเนื้อก้อนนั้นมาโฉบปั๊บไอ้ตัวอื่นก็มารุมถึงสรุปว่าเนื้อก้อนนั้นอยู่กับผู้ใดก็คนนั้นสะบักสะบอมนะสะบักสะบอมเลือดเนี่ยโซมเงื้อนี่ท่วมเนี่ยนะเลือดนี่ไหลโสมแผลเป็นเนี่ยซิบซิบไปตามตัวฉันใดโลกของวัตถุ ก, กรรมทั้งหลายก็ เหมือนการฉันนั้นเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพเดือดร้อนหลายๆภพหลายชาติไม่มีจบมีสิน้นอย่างสังเกตดูว่าสัตว์ที่เดือดร้อนในกาในภพเนี่ยนะโดยเฉพาะในกามะภพเนี่ยเดือดร้อนเพราะเหตุแห่งกามทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีเหตุแห่งกามไม่มีกามเป็นเหตุไม่มีกามเป็นต้นเขาไม่เกิดจากการแย่งชิ้นเนื้อความทุกข์มันก็ไม่ได้มีอย่างอย่างนี้หรอกเนี่ย น, นะกามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเปรียบอุ ป, ปมาด้วยคบญ้า มีความคับแค้นมากโทษในการมทั้งหลายนี่มีอย่างยิ่งคบหญ้าเนี่ยเป็นยังไงก็เหมือนอย่างว่าเอาเอ า, เอาไม้ไม้หญ้าคาเนี่ยนะเอาหญาคามามัดเป็นเป็นยาวๆแล้วก็ถือถือเป็นไฟแบบมันก็ไม่เหมือนกับคบเพลิงโอลิมปิกเท่าไหร่นะถือถือคบโปร่งเอาไปจุดนะคล้ายๆแบบนั้นนะ่ะแต่นี้มันใช้หญ้ามันไม่ใช่คบแบบนั้นนะ่ะมันใช้หญ้าเสร็จแล้วก็จุดไฟเผาเรียกว่าเป็นไฟนําทางเนี่ยนะ สมัยเด็กๆนี่ของมาชาประจํำว่ามันไม่มีไฟฟ้าเราก็ต้องเดินข้ามจากทุ่งหนึ่งไปอีกทุ่งหนึ่งอ่ะจะต้องหาคบญ้าหาอะไรมาจุดหรือหาลําปอเนี่ยนะลำปอแล้วก็มา ม, ม, มัดมัดแล้วก็จุดเนี่ยนะมันก็จะลุกพอจะมองเห็นทางลางๆออกไปได้นี้ก็จุดบางครั้งมันต้องถือเดินทวนลมอ่ะจะนะถือโดนทวนลมทีนี้ไอ้ไอเศษเสี้ยวมันก็ปลวว่อนเข้าตามั่งเข้าตัวมั่งผ้านี่ไหม้มั่งนี่ต้องไอ้ต้องระวังนี่ก็คือมันจะไปไหม้คาณาชาวบ้านเขาสิ หน้าเกียนะเก่ยวข้าวเนี่ยนะหน้าเกี่ยวข้าวเนี่ยช่วงนั้นต้นข้าวต้นกล้ามันกําลังแห้งติดไฟกาําลังดีต้องระวังนะมันจะเดี๋ยวไปพับเพลิงเข้านาเข้าออหมดเนะนี่ยแงานนี่ทำนาทั้งปีอาจจะไม่พอเสียค่าปรับก็ได้เนี่ยนะก็ต้องระวังเสร็จแล้วก็ลำไม้โอ้โหกว่าจะเดินทางไปได้คบหญ้า ก, ก็เหมือนกันคนที่อาศาัยวัตถุกลามก็เหมือนกันเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ลําบากทุกข์ยากอย่างนั้นกางทั้งหลายจึงเหมือนกับ ควบยาเพราะตามเผาอยู่ตลอดเวลาไอ้จะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้ลมมาก็แรงเนี่ยนะลมมาก็แรงไอ้จะทิ้งเลยก็ไม่มีไฟใช้มันก็มันก็เผาร้อนกามทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกามทั้งหลายมีอุปมาด้วยลุมฐานเพลิงนีมีความคับแค้นมากโทษในกามทั้งหลายเหล่านั้นน่ยมีอยู่อย่างยิ่งเหมือนลุมฐานเพลิงนี่เป็นยังไงเปรียบเหมือนเหมือนหลุมฐานเพลิงลุกลึกชั่วบรุรษเนี่ยนะ เป็นแต่ฐานล้วคู่แดงไม่มีเปลวปราศจากเปลวมันแดงสุดๆเลยนะเสร็จแล้วถ้าใครตกลงไปในหลุมฐานเพลิงอันนั้นเขาคงจะเป็นยังไง อ, อบฐานเลยใช่แต่แต่ว่รวมยิ่งก็ถูกปิ้งนะถูกเผาแบบแมแป๊บเดียวนี่ก็ระอุแล้วก็อันตรฐานเหือดแห้งแต่ร้อนรนอย่างนั้นจริงๆอันนี้ในในในปัจจุบนันถามว่าสัมปรายภาพหรถ้าเป็นในนรกเป็นต้นสังเกตดูเดราชาที่ถูกเผาเนี่ยนะ ปลาบางตัวนี่มันถูกจับโยนลงฐานแดงๆอย่างนั้นเลยนะเขาเขาจุดไฟลุกแดงเสร็จแล้วก็จับโยนลงไปจับโยนลงไปแล้วก็พลิกซ้ายพลิกขวาก็เอาไปกินกันได้แล้วเนี่ยนะก็อันอย่างนี้เนี่ยมีอยู่เยอะไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยนะจับโยนลงไปแล้วก็พลิกๆก็เอาไปจิ้มเกลือต่อไปได้แล้วก็ปลาเผาเนี่ยนะเอ้าตอนกินมาได้คิดอย่างนี้โลกอร่อยดีนะทีนี้บางทีเนี่ยเราก็เปรียบเหมือนลุม่านเพลิงเนี่ยเขาบอกว่า ลมทานเพลงหเคยได้ยินนะเขาว่าต้มเปรตเนี่ยนะต้มเปรตก็เอาต้มน้ําือดเดือดเดือดเือแล้วปลาไหลหย่อนลงไปคล่องเหมือนกันก็อันนั้นแหละก็น่าอันตรายเนี่ยนะก็ถือว่าเสียงมากๆเลยนะพระพุทธเจ้าบอกว่ากามทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือกามทั้งหลายเปรียบเหมือนกับความฝันเหมือนกับความฝันเป็นยังไงเคยเห็นว่าฝันไปเที่ยวชมสวนไหย ฝันว่าไปเที่ยวชมสวนฝันว่าไปดูในสถานที่น่ารื่นรมเพลิดเพลินบันเทิงใจพอตื่นลงมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงไม่เหลือแล้วฉันใดากามทั้งหลายนี่มันก็มันนิดหน่อยอย่างนั้นจริงๆถึงจะมีความเพลิดเพลินมีความสุขบ้างแต่มันน้อยเต็มทีใช่ไหมเรียกว่า enfin วันแห่งความเพลิดเพลินมีนิดเดียวที่เหลือวันแห่งความทุกข์ทั้งนั้นเลเนยนะวันแห่งความเพลิดเพลินมีอยู่ไม่กี่นาทีนะที่เหลือวันแห่งความ เดือดร้อนลําบากวันแห่งความสุขสมมัทก็มีไม่เท่าไหร่ที่เหลือเป็นวันแห่งทุกข์และโท ม, มนัทเป็นวันแห่งความเดือดร้อนเป็นวันแห่งความเร่าร้อนเนี่ยเพราะน้ำกามทั้งหลายนั้นเป็นอย่างนั้นกามทั้งหลายจึงเปรียบเหมือนกับความฝันนิดหน่อยขณะเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่ากามทั้งหลายมีอุปมาด้วยของขอยืมขอยืมของเข้ามาไหมก็ข อ, ของยืมก็ของใช้ชั่วคราวนั่นแหละ เสร็จแล้วก็ถ้าใช้ไม่ดีก็ถูกดายต่างหากเสร็จแล้วก็ต้องคืนจําต้องคืนแล้วต้องดูแลของเขาให้ดีนะเพราะมันของข อ, งขอยืมอ่ะมันไม่ใช่ของใครอ่ะนะเมื่อไม่ใช่ของใครเนี่ยใครที่ดูแลก็ต้องดูแลแบบของขอยืมก็ต้องดูแลระมัดระวังถ้ามันเสียหายคนที่ยืมมาก็ต้องรับผิดชอบเนี่ยนะรับผิดชอบค่ะดูแลค่าบำรุงรักษาเพราะฉะนั้นการทั้งหลายจึงเป็นของขอยืมก็ปแปล ว, ว่าเป็นของชั่วคราวที่มีคับแค้นมากมี แล้วก็มีโทษมากเหมือนกับไปยืมอะไรเข้ามามามาใ ช, ใช่ไหมเมื่อไม่มีปัญญาจะใช้คืนเข้าล่ะก็เหลือแต่ความทุกข์เหลือแต่ความเดือดร้อนเหลือแต่ความยากเหลือแต่ความลําบากต่อไปกามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าอุปมาเหมือนกับด้วยผลไม้เปรียบเหมือนผลไม้นี่แปลว่าอย่างไรผลไม้เนี่ยใครเคยบริโภคบกผลไม้ที่เป็นพิษเนี่ยนะกินเสร็จแล้วเป็นแผลผุพองไปทั้งตัว นะกินแล้วเป็นแผลผุพองไปทั้งตัวเนี่ยนะเขาก็มีคล้ายๆกับว่าสัตว์ที่ถูกสัตว์มีพิษกัดเนี่ยนะมันก็จะเป็นแผลผุพองไปทั้งตัวฉันใดผลไม้ที่มีพิษบางผาบางลูกก็เหมือนกันเมื่อบริโภคเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อตัวก็เปื่อยเน่าเนี่ยนะร่างกายก็เปื่อยเน่าไปทั้งร่างกายฉันใดกลามทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นกลามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าเปรียบอุปมาเหมือนกับเขียงหั่นเนื้อ เขียงสับเนื้อนะไม่ใช่เขียงหั่นเนื้อเขียงสับเนื้อเวลาเขาเขาฟันเนื้อเอาเอาเนื้อวางไว้บนเขียงนะเวลาจะฟันลงไปเนี่ยมันมันบาดทุกครั้งเลยนะมันบาดเข้าไปถึงถึงเขียงทุกครั้งคมมีดมันจะลงลึกเข้าไปในเขียงทุกครั้งที่สับลงไปฉันใดกามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงไว้ว่าฉันนั้นทุกครั้งเนี่ยนะที่เราได้บาดถึงใจหมดเลยใช่ไหม หรือทุกเรื่องที่เข้าไปเกี่ยวข้องเปื้อนบาปมาเกือบทั้งหมดเนี่ยนะหลายๆเรื่องต้องเกี่ยวข้องเรียกว่าต้องเปื้อนกายะทุจริตเรื่องไม่ใช่น้อยต้องเปื้อนด้วยเพราวจีทุจริตไม่ใช่น้อยต้องเปื้อนด้วยมโนทุจริตเปื้อนด้วยอกุศล diyor, รกศลลรรมอันลามกทั้งหลายเรียกว่าเปื้อนบาปเปื้นอนอกุศลเนี่ยนะก็เหมือนกับเคียงหัง่นเนื้อจริงๆกามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสอุปมาว่าเหมือนหอกเหมือนกับลาวเป็นของที่ หอกลาก็แปลว่าทิมแทงเนี่ยนะต้องถูกคอยทิมถูกแทงอยู่ตลอดมีคมคับแค้นมากมีโทษมากนะก็อย่างว่าสิ่งที่เหลือที่เราไปเกี่ยวข้องอ่ะโดยมากก็ทิมใจมาใช่ไหมทิมตาทิมหูทิมจมูกทิมลิ้นทิมกายแล้วก็ทิมใจสร้างแต่ความเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านั้นคอยทิมคอยแทงคอยประหัดประหารอันหนึ่งกามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าอุปมาด้วยหัวงูเห่าหรือหัว หัวหัวศีรษะงูศีรษะงูพิษเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากแล้วก็มีภัยเฉพาะหน้าเนี่ยนะก็ของมันมีคมอ่ะเขี้ยวมันมีคมแล้วก็ปากมันเนี่ยมีพิษมีมังกรอยู่ชนิดหนึ่งที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นมังกรที่ตัวใหญ่มากเนี่ยนะใหญ่น้องๆควายเน่แหละเป็นมังกรพิเศษแล้วมังกรชนิดเนี่ยมันกัดกินสัตว์ได้ทุกประเภทโดยที่สุดแม้แต่ควาย ตัวมันไม่ใหญ่ตัวมันก็คล้ายตัวเงินตัวทองอ่ะแต่มันตัวใหญ่มากเธอท้าเธอท้าน้ำหนักเป็นร้อยกิโลแหละนี่มันมันมันกินควายนี่มันทํำไงมันไปกัดเนี่ยนะน้ําลายมันยืดมีแต่พิษมีแต่เชื้อโรคเท่านั้นเลยมันก็กัดควายปั๊บภายในไม่กินนาทีเนี่ยนะพิษมันก็ซึมซาบไปทั่วควายควายก็จะทรมานเจ็บปวดแล้วก็ล้มตายเล่นตายมันก็มากัดแย่งกินเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นปากมันนี่ก็จะเป็นอย่างนั้นฉันใดงูพิษทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะกามทั้งหลายจึงเปรียบเหมือนกับหัวงูพิษเนี่ยนะเวลามันกัดเนี่ยนะมันก็แสบปวดร้อนเนี่ยนะฉะนั้นคนในโลกนี่มันเร้าร้อนมากเพราะเห็นแห่งกล้ามอยู่นิ่งเป็นที่ไหนใช่ไหมมันเร้าร้อนเดือดร้อนกนังวลกัวัยในที่สุดก็ไม่เหลืออะไรมันเหมือนกับของทําเล่นน่ยนะอย่างชีวิตของคนที่อายุมากๆขึ้นระดับหนึ่งแล้วจะรู้เลยว่ามันเหมือนเล่นจริงๆ มันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแก่นเป็นสารเป็นอะไรเลยเนี่ยนะทไปก็ไม่รู้จบลงที่ไหนไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเอาไปเอามาตอนนั้นก็จริงตอนนี้บัดไม่ใช่แล้วเนี่ยนะตอนนั้นแมมมันจริงมันจังมันใหญ่มันโตมันจําเป็นมันอุ้ยพอมาถึงวันนี้โอ้ยของเล่นทั้งนั้นเนี่ยนะเนี่ยนะก็ยังกับเด็กเล่นนั้น ม, มีอะไรแล้วมันโทษล่ะ